ล้าเกิดในแดนพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อยู่ในแดนพุทธศาสนาก็เหมือนอังที่โบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชเหมือนกับหยับแผ่นดินผิดมันผิดทุกคนเลยเกิดมาในวงศาสนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับธาตุภูมิของตน เหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมล้ว เ, เกิดมาเรื่องมากอย่งศีลธรรมแล้วเมื่อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานนั้นผิดนะอยู่ที่ตรงนั้นท่านสอนให้สั่งสมเป็งามความดีไว้เพื่อ เป็นปณิสัยปัจจัยเป็นลําดับลํำดับไปคือปณิสัยก็คือทิท้งทำที่เราเคยบําเพ็ญมาหรือเรียกว่าบุญ ง, งามความดีจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานก็ตามเกิดขึ้นโดยการรักษาศีลก็ตามจากการเจริญเมตตาทนานาหรือการสงเคราะห์สงหาเพื่อนร่วมโลกกันไม่ว่าจัตว่าบุคคลก็ตาม รวมแล้วก็คือว่าคุณงามความดีจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นที่บรรจุความดีทั้งหลายที่ได้ทำลงไปเพราะจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นโรงงานแห่งการกระทำความดีเหล่านี้จิตจึงเป็นเจ้าของที่จะรับเอาผลซึ่งตนกระทำขึ้นทุกแน่ทุกกระทง เข้าสภายใน จ, ใจิตใจนั่นทันเรียกว่ามูลนิธินิธิก็แปลว่าขุมทรัพย์มูลก็แปลว่ารากฐานคือรากฐานน่งที่เป็นที่สถิตแห่งขุมทรัพย์นั้นก็ได้แจ่ใจมันเลชื่อว่ามูลนิธิมูลนิธิก็คือรากฐานเป็นที่ฝังทรัพย์ลง ปีจาของเราเป็นรากฐานสาคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงสู่ที่หนาเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วภายหนก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไปไม่ว่าจะไปแห่งหนึ่งบลใดต้องการอะไรก็สมบัาินั้นจับจ่ายใช้สอยได้เรียเรื่อยสิ่งที่ตนต้องการมันมาบำบัดรักษาหรือบํารุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความสะดวกไปด้วยทรัพย์สมบัตินั้นทั้งนั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็เช่นเดียวกับเราไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เรานี้เองไปบ้านนอกบ้านนาลินเ ม, มืองนอกเมืองไหนก็นแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงินหรือสมบัติ ถ้ามีแก้วสารพัดนึกแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากน่การท่องเที่ยวนยวัตตะสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้ภานจิตใจปิดแนกกับตนไปในภพนั้นๆ น, นกเกิดเรากับบังคับหรือต้องการ เกิดในสถานที่เช่นไหนมันเป็นไปตามความต้องการนั่นไม่ได้ถนนมเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือวิบากแห่งกรรมที่จะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขให้ทุกข์ท่านพูดไว้อย่างนี้เป็นความตายตัวนี่คือเป็นความจริงอันถูกต้องตายตัวมาตั้งแต่การในไห น, ไหนลบล้างไม่ได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถจึงไรที่ติลบล้างกรรมและผลของกรรมคือสุขทุกข์ ซึ่งมีอยู่กับบรรดาสัตว์ทั่ๆไปในวัฏฏานี้นั้นเป็นการลบล้างไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วจะทรงลบล้างบาปกรรมทั้งหลายออกจากสัตว์โลกก็ให้มีเหลือแม้แต่นิดหนึ่งเลยจะให้มีแต่ความร่มเย็ยนเป็นจุขโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกชนิดใดในโลกทั้งสามนี้ที่รวมอยู่แห่งสัตว์โลก จะไม่มีผู้ใดได้รับความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่มีแต่ความสุขความสบายด้วยการทั้งนั้นเพราะการลบล้างได้ที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสลู้ก็ว่าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว แม้เช่นนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะมาลบล้างกรรมของสัตว์หรือบาปแห่งกรรมที่มีอยู่ในภายในสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้นี่เพราะเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่อาจจะสามารถลบล้างหรือทําลายได้นั่นเองนอกจากผู้นั้นจะเป็นผู้พยายามช้าะหรือลบล้างความชั่วด้วยความดีเท่านั้นเช่นเดียวกับเราช้ า, างสถานที่สพรกให้ กลายเป็นสถานที่สะอาดขึ้นมาด้วยน้ำที่สะอาดนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้ชนนล้างสิ่งสกปรกให้สะอาดล้างสถานที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ำมันสะอาดนั้นเป็นไปได้เรื่องการทำความดีก็เหมือนกับวาการลบล้างความไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจหากเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ศาสนาก็ไม่มีอยู่ในโลก ปรากฏในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถานะล้มล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมคะไปทำไม่ที่สอนที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมมาไว้สอนโล ก, กว่าเผื่อช้าลา้างมลทินคือบาป ก, กรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในสันดานของศัตว์ด้วยการทำดีให้สายสะอาดไปโดยลำดับลำดับความประพฤติ ท, ที่เคยไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทาดีพูดดีคิดดีไปหมด ไอสิ่งเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วด้วยความไม่รู้เดียงสาภ า, ภ า, ภาวะอันใด น, นั่นก็ ค, ค่อยค่อยหมดไปหมดไปหากผลจังยังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบากไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะที่ปรากฏอยู่เท่านั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นขึ้นกว่าเดิม น, นี่ละหมายถึง เวลาเรามีการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมนทินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันมาลบล้างวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าเป็นวิบากคือการให้ผลของกรรมก่อนซึ่งเคยทํามาตั้งแต่ก่อน ก็ได้รับแค่เรื่องธานลงขันยกตัว อ, อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะปรินิพานสเสด็จไปกรุงกุสินาลายัยจะสวยน้ำรับสั่งให้พระอานุน์ไปตักน้ำที่ไหนก็ขุนเป็นตมเป็นโคลนไปนหมดมือพระ อ, องค์ก็หระกกับพระอานุน์ว่านี่เป็นพ่อ ร, รมเก่าของเรา ซึ่งแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าโคต่างไล่โคไปจำนวนห้าร้อยตัวลงไปน้ำน้องใดบึงใดก็ขุนเป็นตมเป็นโคลนไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ดื่มตั้งแต่น้ำที่สกครด้วยวดีขุนเป็นตมเป็นโคลนไปผลนั้นจึงสะท้อนกลับมาถึงเ่านี่ก็มีเพียงพระกายเท่านั้นไม่ได้พระมีความกระทบกระเทือนถึงพระทัยของพระองค์ที่บริสุทธิ์นั่นเลย ส่วนความดีก็มีสนองมาโดยลำดับเช่นอย่างไปสถานที่ใดขอมีคนเคารพเทวบุตรเทวดาอินพรมอะไรทั้งมีความเคารพนบนอบพระองค์ตลอดถึงเครื่องสักริ์บูชามาจากที่ต่ตางๆเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นการสเสวยในทางพระกายเช่นเดียวกันส่วนทจ่จะพระองค์มีความยินดียินร้ายในท่าไทยนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะไปถึงได้ เราการที่เราทําความดีทั้งหลายนี่ก็เหมือนกับเราเอาน้ําที่สะอาดชำระสิ่งที่สกรปรกโสโครภายในจิตใจของเราให้พไปหมดไปโดยลำหนักําหนักการยิ่งสอนให้สร้างความดีคนที่มีคุณงามความดีแล้วย่อมเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหนาเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายในจิตใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบุ่มยิ่งไปก ว, กว่าคุณงามความดีทั้งหลายนีทันว่าช้ายาเอวเปรียบเหมือนกับเงาเทียมตูแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับคุณงามความดีนี้เราจะไปเกิดนั่จะฐานที่ใดๆย่อมติดแนบกับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจ ท่านก็สอนให้พยายามอบรมจิตใจความยากความลําบากอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคจนเกินเหตุเกินผลจนเสียเวลาเวลาและไม่ได้กระทำความดีเพราะความลําบากนั้นเป็นอุปสรรคเลยเรื่องความลําบากเพราะหน้าที่การงานมันมีด้วยกันเราจะถือว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่การงานล้นมืออบางคนเหพือบา ก, กว่าแรงก็มีแล้วสัตว์หล่ะ เขาหากินอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องยิงเต็มข้อนขวาหาอยู่หากินนั่นมาใช้งานน้องเขาเริ่องเขาก็ไม่เห็นบนทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากมายกลายกองไม่เหมือนมนุษย์เราไปที่ไหนทั้งกลัวตายไม่งั้นเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวงังทั้งปากท้องก็หิวโหยน้ํำจะไปกินก็จะถูกเขาดักยิงอีกถูกขายเขาดักอีกเนี่ย กินผลไม้ ก, ก็ถูกเขาหนักไปหากินยากินอะไรอะไรก็ถูกแต่มนุษย์น่ะสําคัญที่คอยทําลายสัตว์ใเสี่ยงทุกด้านในเหมือนมนุษย์เรามันก็คืองานของเขางานของเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานมนุษย์เห่างานมนุษย์เราไม่มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือ น, นสัตว์ทั่วไปเป็นงานที่ทําด้วยความเป็นอิสระการประกอบหน้าที่การงานที่ชอบทํา เราทำได้โดยกันทั้งโลกทั้งสามไม่มีใครว่าใครไม่มีใครเบียดเบียนใครหากจะมีบ้างก่อนมันก็เป็นธรรมดาของคนมีแค่เหล่แต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนอย่งางเขาทำลายสัตว์อย่างนั้นมันไม่มีมันจะยากลำบากเราก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็ต้องพึ่งผ้าหม่ม เวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ําเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องพึ่งทั้งนั้นร่างกายของเรามันดูรังพังตนเองไม่ได้มันต้องอาศัยความพึ่งพิงอิงอาศัยอยู่ตลอดมานี้ทางด้านจิตใจจะไปอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อไม่มีคุณงามความดีเป็นที่เกาะที่อาสัยก็ต้องว้าเววุ่นวายคุณโมัวืด่ดร้อนน่นคือสอนให้ บำเพ็ญความดีเพ่เป็นประโยชน์แต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาอายุอานามไม่สำคัญจิตใจเนี่ยมันคึกขนองได้โดยการทั้งนั้นนะ่ะความฟุง้งเฟอเ้อเฮือมความคิดวุ่นวายเนี่ยคิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก่ กวนตัวเองได้ตลอดเวลาหากไม่มีการอบรมภาวนาะให้มีความสงบบ้างเลยแล้วจิตจะหาที่หลบที่ซ่อนไยไม่ได้จะมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยจิตตะภาวนาะจึงเป็นที่พักผรอ่อนจิตได้ดีขณะที่เรากําหนดกำหนดพุดโทโธพุโทโธนั้นจิตก็สงบอยู่กับพุโทโธอยู่แล้ว บังคับไม่ให้ส่งออกไปภายนอกซึ่งเคยส่งออกไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมาเห็นผลประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ที่มันเที่ยวกว้านมาจะเพราะความคิดังนั้นเท่านั้นแต่ตอนี้เราจะระงับดับความคิดทั้งหลายให้ความคิดเหล่านั้นซึ่งเคยรบกวนนั้นมารบกวนเราเราจะอาศัยความปรุงเฉพาะคําบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากําหนดพุทโธเป็นต้นเราก็มีความบริกรรมหรือมีความรู้จดจ่อ ตัณหาตัณตาอยู่กับคบริกรรมของเราให้จิตใจนี่สายแสบไปสู่อารมณ์ที่เคยข้อควรตนเองจิต ก, ก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติตังหน้าตัณตาทําอยู่โดยสม่ําเสมอจิตก็มีความสงบลงได้พอจิตสงบเท่านั้นเรื่องความสุข ก, ก็มาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขภายในใจเพราะมันมีความสงบพอจิตเริ่มสงบ ทาระก็เริ่มเบาลงคือความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆยิ่งเป็นความคิดที่เป็นภัยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมากผิดกับความคิดทั่วๆไปเราระงับดับไปหมดความคิดเหล่านั้นไม่สนใจเอาเฉพาะความคิดความปรุงที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งจะเกิดผลเกิดประโยชน์อันมีคุณค่าเข้ามาสู่จิตใจของเราใจก็ได้รับความร่มเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเหมือนใจ มีความร่มเย็นมีความสงบแล้วมันก็โล่งโถงภายในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้นแต่ก่อนเราไม่คาดว่าเรามีคุณค่าเพียงไงนอกจากเดาไปเฉยแบบมีคุณค่าอย่างนั้นสําคัญตนอย่างนี้โดยหาความจริงไม่ได้แต่พอปรากฏพอจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นภนายในใจเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภ า, ายในจิตใจของเราปรากฏเป็นความอดอก อ, อุ่นเป็นความร่มเย็น เป็จุกมีที่พึ่ง น, นั่งอยู่ก็อิม่มทําอะไรอะไรอยู่ก็อิม่มเ อ, อิบอยู่พานาใจพาจะว่าอะไรก็ไม่ค่อยโกรธ ง, ง่ายๆไม่ค่อยชุนค่อยเฉียวเพราะจิตมีที่พึ่งจิตมีหลักมีเจนไม่บอกแบบคอนแวนเย็นแล้วนะ่ะเพียงเท่านั้นเราก็เห็นผลแล้วผลนี่แหละที่จะยังเหตุ ต, ต่อไปให้เพิ่มปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันเป็นลำดับ และให้มีกําลังมากขึ้นเมื่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแก่ใจเพราะทํางานเห็นผลคือความสงบพยายามทําอยู่เรื่อยยิ่งเท่าแก่แล้วเท่า น, นี้ก็ไมศาสตร์จะไปหาทํางานอะไรอะนอกจากงานจิตตะพรนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาซะจนพอแล้วฮ เ, เลี้ยงลูกแล้วยังไม่แล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยงเลนเลี้ยงอะไรอะไ ร, ะไรเป็นบ่อยเขาอยู่ตลอดเวลาฮ เลี้ยงตนนั่งตอนมันยังไม่เติบโตคือภ า, ายในจิตใจมันเหี่ยวมันแฝงอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุไม่มีเลยอย่างนี้เราจะไม่ร้อนใจจะทันยังไงมันต้องร้อนคนหลับนั้นจึงพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมพยายามอบรมจิตใจขงตนถ้ามีความสงบจิตจะพองขึ้นตัวขึ้นมาเย็นสบายโล่ง น, นั่นนี่แหละการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีกิจตภาวนาเป็นสําคัญ พยายามอบรมรักษาตนที่นี่คือรักษาใจอะไรๆเราก็ได้ผ่านมาแล้วเรื่องโลกเรื่องขงสารมานานขนาดนี้แล้วพอจะรู้เรื่องดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านโลกมานานทางตากับทานมา่านตั้งแต่วันโน้นลราดูจากเรียงสาภาวะตาหูจมูกเด่นการมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลชั่ว ป, ประการใดบ้างเราทราบหมด จากความนัมผัดเหล่านี้เวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็หายไปหมดเอาความจริงความจงกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไม่ได้ <S <S แล้วเรายังจะประมวนกับความคิดความปรุงในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอีกถ้าไม่ใช่ว่าหลงจนเกินตัวเราควรจะลบบวกคูนหารดูตัวของเราด้วยดีที่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายแล้วประมวลจิตใจประมวลความรู้สึก ประมวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตะภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นที่อุ่นเป็นที่เป็นอารมณ์ของใจอันร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่เพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นอารมณ์สำคัญมากต่อจิตใจทำให้มีความสงบเย็นใจ ความสงบมีหลายขั้นเบื้องต้นแหงความสงบก็พอเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มสงบเข้าไปก็เริ่มเบาผานใจสบายทําหลายครั้งแล้วหงกอกสงบแน่วแน่สงบแนบแน่นละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกอันนั้นมีความสุขมากปิดเบื้องว่างอะไรพูดไม่ถูก ว่าอยู่ในอากาศก็ไม่เชิงอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้ของรู้ตัวอยู่โดยเฉพาะร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแหลคือความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขจะลืมไม่ได้หากว่าไม่มีความก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นเช่นนี้ไม่ได้จนกระทั่งวันตาย เพราะเป็นความ ส, สุขที่ประทับใจมากทีเดียวตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏเช่นนี้และเป็นความสุขที่แปลกประหลาและอัศจรรย์นี่แลเป็นเชื้ออันสําคัญที่ให้เกิดความอุตสาห์พยายามต่อสู้กับความมุ่นวาทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี้เข้ามาเป็นสมบัติของใจที่กรรมนี้เรียกว่าใจสงบ ความสงบนั่นคือไม่มีอารมณ์อะไรมากวนภายในใจเองก็ไม่คิดไม่ปรุงออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็สักจะว่ามีอยู่ตามสภาพของเขาเมื่อใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนไม่มีสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกมากน้อยไม่สําคัญสําคัญที่ใจไปเกี่ยวข้องเขาเท่านั้นเกี่ยวข้องมากน้อยเรื่องราวอารมณ์ก็มากพอจิตหด ตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ไปสําคัญมันหมายกับสิ่งใดๆแล้วสิ่งนั้นจะมีมากน้อยเหมือนไม่มีทีนี้จิตไม่ปรุงรบปวนตัวเองอีกไม่เกิดความสําคัญนั้นหมายในสิ่งต่างๆภายในรอบภายในรอบตัวนี้อีกก็ยิ่งเป็นความสงบแน่ๆค่ะเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากฮะโลกนี้เหมือนกับมีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลย ยังท่านี้ก็สบายแล้วะ เ, เห็นหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี้คืออะไรเป็นหลักที่แท้จริงก็คือใจดวงนี้เองนัะ่ะรู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วทําอย่างไรถึงจะใยิ่งกว่านี้คือทําตามธรรมนานแม้แต่เราสแสวงหาสมบัติได้เท่านี้แล้วมันยังต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วอยากได้เท่านั้น แต่เรื่องการสแสดงหาสมบัติภายนอกคื อ, คอทางโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากคือแบบโลกโลกธรรมดาธรรมดาแต่นี้เราหาด้วยด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเขื่อมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่อิ่มพอเมื่อจิจก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจิจมีความขายืดขึ้นไปเรื่อยเรื่อย ความสุขแค่นี้ต้องการฉะนั้นตามความจริงเข้าไปอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าอ่านแต่ต้องคิดไปเช่นอย่างท่านพิจารณาถึงถาดเรื่องขันซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดไม่ทราบว่าถาดขันนี่คืออะไระเําว่าร่างกายก็ว่าเขาว่าเราก็ว่าในส่วนร่างกายทั้งหมดเรายังไม่ได้แยกแยกตามความจริงของมันว่ามันมีอะไรบ้างที่รวมกันอยู่นี้ แยกเข้าไปแยกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวเนี่ยเทีสารมานขาทันตาตะโจดูเข้าไปภายในดูเข้าไปดูเข้าไปหาตัวหญิงตัวชายตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราตัวเขาออตัวอัตภาพร่างกายจริงคืออะไรค้นเข้าไปมิท่านว่าปัญญาหาเข้าไปค้นเข้าไปหาความจริงทีนี้ความจริงที่ปรากฏขึ้นจากการค้นคว้าการพิจารณาโดยปัญญานี้ไม่ใช่เป็นความจริงดังที่เราว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่แล้วทิ การเป็นความจริงประเภทอันหนึ่งขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สับแต่ว่าธาตุเนี่ถ้าว่ารูปก็สับแต่ว่ารูปเน่ถ้าว่าเวทนาเขาสับแต่ว่าเวทนาไปเสียเองนี่ความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักษ์ใจเป็นความจริงเช่นนี้และเป็นความจริงที่ที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่อย่างกระทับตัจอะไรก็สับแต่ว่าอันั้นเท่านั้นไม่ไม่เลยจากนั้นไป กลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสําคัญมันหมายมาตั้งแต่ก่อนนี่จึงกลายเป็นความจริงขึ้นมารูปก็เป็นความจริงเพราะจิตจริงนี่ยเพราะจิตรู้จริงเหทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งเพราะจิตรู้จริงเนี่ยสัญญาตั้งขานวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเพราะจิตเป็นความจริงอยู่เต็มตัวเนี่ยว่างอาการแต่ละอย่างที่ แต่เพื่อออกมาในทางจิตใจก็ทราบว่าเป็นความจริงแต่ละอยะางแต่ละอย่าไม่หลงไม่ตื่นเงาตัวเองเราอยู่ธรรมดาเรายัางรู้ว่านั่นเป็นเงาเรานี้เป็นตัวของเราแต่เงาของจิตแล้วเราไม่ทราบเราถือเป็นเงานั่นเป็นตัวใช้ทั้งนั้นจึงต้องวุ่นวายอะไรที่เป็นอาการของจิตแสดงออกเราถือว่าเป็นเราทั้งหมดอถือเงาเป็นตน เราหลอกว่าดีก็เราดีเราหลอกว่าชั่วก็เราชั่วทั้งๆ ท, ที่ไม่เป็นความจริงก็เชื่อไปตามเกิเดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดดังนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงต้องค้นให้ถึงความจริงท่านจึงเรียกว่าปัญญาความฉลาดแหลมคมถ้าทั้งถึงความจริงทุกจัดทุกส่วนแล้วมันก็แยกตัวกันเองอันไหนเป็นอะไรมันก็ไม่ ไปฝ่าไปฟื้นความจริงไม่ปินเกี่ยวกับความปินต่างอัน ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต่างปินต่างอันต่างอยู่ฮะจิตใจก็ไม่ยุ่งเหยองวุ่นวายไม่หาเรื่องก่อคนตํนเองนี่ท่านจะเรียกว่าอะไรมันถอดออกหมดถอดออกหมดมรู้นี่ท่านเรียกว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตนั้นก็พ้น ทีนี้เวลาจิตรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างโปรยเฉียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตที่จะมีความอยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันก็ไม่มีเพราะความอยากนั้นเกิดขึ้นจะเพราะความไม่พอหรือความยังไม่สมบูรณ์ความบกพร่องทำให้เกิดความอยากได้ถ้าจิตมีความรู้เต็มตัวเต็มภูมิไม่มีความบกพร่องแล้วก็ไม่อยากเนี่ย คือไม่อยากรู้อะไรอีกถ้ายิ่งกว่านี้ไม่อยากสุขอะไรให้ยิ่งกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่นี้เป็นที่พอเหมาะสมแล้วยิ่งกว่านี้ไปไม่เหมาะน่ะนี่ท่านเรียกว่ามัชจิ ม, มาในหลักธรรมชาติที่เป็นส่วนผลซึ่งสืบเนื่องมาจากมัชจิ ม, มาคือข้อปฏิบัติดำเนินเข้าไปด้วยมัจจิ ม, มาอันเป็นศูนย์กลางพอเข้าถึงขั้นมัชจิ ม, มาในหลักธรรมชาติอันเป็นส่วนผลแล้วก็เป็นอันว่าพอตัว ไม่ยิ่งกว่านั้นไม่หย่อนกว่านั้นเสมอก็ได้จะเรียกว่าเสมอก็ไม่ถนัดใจเรียกว่าพอนะเหมาะอิ่มเต็มที่แล้วเลยนี่ไปไม่ได้พอมีละถ้าปฏิบัติด้วยธรรมรู้ด้วยธรรมไม่ใช่ไปเป็นไปด้วยกิเลสมันย่อมถึงเมืองพอได้ไม่เหมือนกับโลกดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่าน ถึงเมืองพอท่านพอแล้วพอดิบพอดีอยู่ตลอดการวานิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตที่พอตัวแล้วเที่ยงธรรมไม่เอียงกับผิดใดทั้งหมดธรรมชาติที่กล่าวถึงเวลานี้ได้จากความรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกขั้นมูลฐานจนกระทั่งถึงขั้นเบือสุดพุดโทโธ จะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่ผู้รู้ที่ได้ยินอยู่เวลานี้ที่ทราบอยู่เวลานี้ฟังอยู่เวลานี้ผู้นี้แหละผู้ที่เป็นสาระแก่นสารที่สุดในร่างกายของเราไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้ก็คือผู้นี้แต่เวลานี้ผู้นี้ยังไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ให้เต็มอัดเต็มทําหรือเต็มภูมิของตัวเองจึงต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือกกเกาะสิ่งนี้เกาะสิ่งนี้ พอพยุงตัวบางทีถูกสิ่งทั้งหลาทับตัวเองลงหกล้มก้มกราบลงไปก็มีเยอะเ น, นี่ยเพราะมันพลาบมันผิดเราต้องพยุงเราด้วยอดด้วยทำจนกระทั่งถึงทรงตัวได้และเป็นตัวของตัวดั่งเต็มภูมิคําว่าเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินี้เราก็ให้ชื่อมันได้เถยดไม่ใช่เป็น ตัวว่งตัวด้วยความสําคัญแต่เป็นธรรมชาติแท้เราก็ให้ชื่อไปอย่างนั้นถ้าโลกมีสมมูิก็ต้องให้ชื่อว่าไปตามสมมุติเช่นอย่างให้ชื่อว่านิพานอย่างนรรดาท่านพูดถึงนิพานแล้วท่านไม่ได้สงสัยให้ชื่อให้นามท่านก็ไม่มีปัญหาแต่โลกมีสมมูิก็ต้องให้ให้ชื่อสมมุติเช่นอย่างเราติดป้ายไว้ที่หน้าวัดว่าวัดป่าบรรดาหูเพื่อคนที่เขายังไม่เคยรู้วัดป่าบรรดาหู ได้อ่านได้ทราบอ้อนี่คือวัดป่าบรรทัาสำหรับถ้านเดินหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจอะไรจะต้องไปอ่านใต้วัดป่าบรรตัดเพราะรู้อยู่แล้วน่ผพ้ที่รูปนิพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันะระยานี้แหละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับบาเพ็ญตนเอง เหมาะที่สุดในเวลามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกกบายสมบายอะรลรยเราได้กันผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมตายแล้วหมดค่าเออเกิดประโยชน์อะไรเราเป็นอยู่นี้เราทําหน้าทุกอย่าง ท, ทําเสียนในเวลานี้ร่างกายกําลังเป็นเครื่องมือได้ดีจิตใจก็ทําหน้าที่ได้ด้วยร่างกายที่เป็นเครื่องมือ ถ้าตนี้สลายไปแล้วก็ต้องยุติี่เหรือเราจะไปทํางานเวลาตายแล้วงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นภพมิจ้าก็ต้องสอนคนตายนี่ไม่ประกาศสอนทำแก่โลกที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนคนเป็นเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่สุดต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำทั้งหลายท่านจึงสอนให้เหมาะสมที่สุดกับคนที่ควรแก่การงานคนตายแล้วท่านไม่สอน คิดดูดาบททั้งสองในเวลาท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจนารณาด้วยญาณทรา บ, บดาวบททั้งสองงั้นสิ้นไปเช้าเมื่อวานนโอ้่าเสียดายนักท่านก็เลยหยุดสนพระไทยที่จะไปสั่งสอนเพราะสุพิสัยแล้วท่าวา ส, าสนาเพื่อสอนคนตายจริงแล้วเออเหมาะสมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี้เราส่งกุศลานิ่เดียวให้ถึงนี่ผ่านเลยว่างันเด แต่นี้ไม่ตายเสด็จไปหาเบญจบ า, ากีทั้งห้าพูดอยู่ในวิสัยที่จะได้จะถึงทำทั้งหลายแล้วพอแสดงดเวเมทิกเวรตับบพิเจรเรนเสวิติตบาสนั้นเบญจบาคีทั้งหลายก็บันทุทำออกอุทานขึ้นมามีพระคุณัญญามีพระคุณัญญาปัญญาเป็นต้นยังจงกิจสมุไรธรรมังสัปปตังนิโรธธรรมังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระัญญาปัญญาได้รู้ ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นของตายตัวนะมีความเกิดและความดับไปเป็นของตายตัวคือคู่กันอย่างนี้แยกกันไม่ออกมีจิจยังถึงความจริงแต่นั่งแสดงอนัตตลกนัสสูตรเป็นลำดับทั่วไปอนัตตลกนัสสูตรท่านแสดงว่าอะไรบ้างรูปังอนิจังเวทนานิจาญญานจาสั้นใหญจาสังฆารายจาวิญญาณังจังรูปังอนัตตานี่ ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในตรายลักนี้ทั้งหมดรวมลงไปรวมลงไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนี่ยอ น, ตนัตตลกนัสสุอนัตตาแสดงว่าความันไม่ใช่ตนนั่นเองแสดงนี้ล้างจิตใให้สะอาดหมดจดได้บรรลุธรรมถึงห้าทั้งห้าองค์นั้นเลยนะมีท่านสอนคนเป่นอนไมจะสอนคนตาย นี่เราอยู่ในวิสัยเวลานี้เราไม่ใช่คนตายเป็นผู้เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วกับธรรมและการปฏิบัติธรรมถ้าตายแล้วก็สุดวิสัยเวลานี้ยังไม่สุดวิสัยให้พยายามทำแ้งแต่บัดนี้ช่วยตัวเองแค่แต่บัดนี้เราจะไม่เสียท่าเสีถทีเรานี่เป็นผู้ที่จะเสียท่าได้ท่าแล้วแต่เราจะพลิกแพงไปทางไหนทางไหนเพื่อตัวของเราความฉลาดอยู่กับเราความโง่อยู่กับเรา เราต้องพิกแารหาความตลาดธรรมะเป็นคำสอนที่เจ้าออกมาจากความตลาดไม่ได้สอนคนโง่จึงรีบเล่นคนขวายด้วยความเฉลียวฉลาดทั้งนเสียในเวลาอันควรจะไม่เสียสท่าเสียีในภายหลังเราจะมีความสุขกายสบายใจทั้งปัจจุบันและอนาคตสมบัติอันที่พึงใจจะเป็นของเราด้วยการทําดีเป็นสาเหตุให้ได้สิ่งที่พึงใจจึขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้